พระนาคเสนแสดงธรรมเป็นครั้งแรกพระอัสสกุตะนั้นมีอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นผู้อุปถากมาประมาณส0พรรษาแล้วเมื่อร่วงสามเดือนนั้นไปแล้วอุบาสิกานั้นจึงออกไปถามพระเถระว่าในพรรษานี้มีพิสูจนอื่นมาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าบ้างหรือพระเถระก็ตอบว่ามีคือพระนาคเสน อุบาสีกานั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าขอพระผู้เป็นเจ้ากับพระนาคเสนจงเข้าไปฉันพระตาหารเช้าที่บ้านของโยมด้วยพระเถระก็รับด้วยอาการนิ่งอยู่พระอสะัสสกุลตตะเถระมิได้สนทนากับพระนาคเสนจนตลอดถึงวันปวารณาออกพรรษาเช้า ว, วันนั้นพระเถระจำต้องเจรจากับพระนาคเสนจึงกล่าวว่า อุบาสิกาเขามานิมนต์ให้ไปฉันพรทหารชาวด้วยกันแล้วจึงพาพระนาคเษนเข้าไปฉันที่บ้านของอุบาสิกานั้นครั้นฉันแล้วจึงบอกให้พระนาคเษนอนุโมทนาส่วนตัวท่านเองขอกลับไปก่อนฝ่ายอุบาสิกานั้นจึงกล่าวต่อพระนาคเษนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมแก่แล้วขอท่านจงอนุโมทนาด้วยคาถาที่ลึกซึ้งเถิด พระนาคเสนก็อนุโมทนาด้วยคถาอันลึกซึง้งเมื่อจบคำอนุโมทนาลงอุบาสิกานั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาิัลในขณะนั้นพระอัสสคุตตะเทระกำลังนั่งอยู่ที่โรงกลมกว้างใหญ่ในวิหารได้ทราบความเป็นไปด้วยทิพยจักสุยานจึงให้สาธุการว่าสาธุสาธุ น่าเกษสในที่ประชุมชนทั้งสองคือมนุษย์และเทวดาเธอได้ทำลายให้คลายจากความสงสัยด้วยลูกสอนเพียงลูกเดียวกล่าวคือได้แสดงธรรมเพียงครั้งเดียวก็ทำให้ผู้รับฟังบรรลุมรรคผลได้สาธุเราขอชมสติปัญญาของเธอนี้ประเสริฐนักหนา ในเวลาเดียวกันนั้นเหล่าเทพพยยดานางฟ้าอีกหลายพันต่างก็ได้ตบมือสาธุการพงจันทิพย์ในสวรรค์ก็โปรยปลายลงมาดังสายฝนขณะเมื่อจบลงแห่งพระสัตรธรรมเทศนานั้นฝ่ายพระหน้าเคนก็กลับไปกราบพระอัสสชสุขตะเทระแล้วนั่งอยู่พระอัสสชสุขตะเทระจึงกล่าวว่า ตัวเธอมาอยู่ที่นี่นานแล้วจงไปขอเรียนพระพุทธวจนะจากพระธรรมรักขิตาผู้อยู่ในอโศการามด้านทิศอุดรแห่งเมืองปาตลีบุตรนครเิดพระนาคเสนจึงเรียนถามว่าท่านขอรับเมืองปาตลีบุตระอยู่ไกลจากนี่สักเท่าใดไกลจากนี่ประมาณหนึ่งรโยชน์เมืองปาตลีบุตระอยู่ไกลมาก อาหารในระหว่างทางก็คงจะหาได้ยากกระผมจะไปได้อย่างไรขอรับเธอจงไปเถิดในระหว่างทางจะได้อาหารร้วนแต่ข้าวสาลีไม่มีเมเร็ดหกักพร้อมทั้งกับข้าวอีกเป็นอันมากพระนาคเกษรรจึงกราบราพระอัสคุณแล้วออกเดินทางไปตามลำดับ